้ฟังกันวันนี้ก็ในเวลาที่จะพูดธรรมะให้พวกเราได้ยินได้ฟังกันแล้วก็นำไปพิจรารณาไปปฏิบัติด้วยตนเอง <c oughs> วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่แปดกุมภาพันสำหรับที่พูดธรรมะวันนี้ก็ เรามาพูดกันเรื่องทิฏฐิก่อนวันนี้เพราะว่าได้พูดกันมานานหลายเรื่องพูดมาแล้ววันนี้ก็ต้องพูดเรื่องทิฏฐิทิฏฐิเราแปลว่าข่มเห็นแต่ยังเป็นนิสสาทิฏฐิไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิไม่ได้ดังนั้นคําว่าทิฏฐิเนี่ยให้เราเข้าใจข่มเห็นของแต่ละคนนั่นจะไม่เหมือนกันแต่เมื่อเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ตวะข่มเห็นถูกต้อง ไม่เห็นชอบถ้าเห็นทุกต้องเห็นชอบแล้วเป็นสมาธิทิฏฐิแต่คำพูดนั้นแต่ว่าตัวจริงน่าจะเป็นยังไงเราก็ไม่ทราบกันวันนี้จึงจะพูดแต่เพียงว่าทิฏฐิคือความเห็นทิฏฐิของหลวงพอ่อหรือของอาตมาหรือของผมเนี่ยพระสงฆ์เขาเรียกว่าของผมถ้ า, าเป็นญาติไปดอมเขาเรียกว่าหลวงพ่อหรืออาตมาอย่างนี้ ความเห็นของอาตมาความเห็นของผมเนี่ยคือทุกคนเกิดมาแล้วเป็นคนรู้จักคนแล้วก็ต้องรู้จักหน้าที่ของคนอันนั้นพูดมาแล้วเมื่อรู้จักหน้าที่ของคนแล้วก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองคำว่าทิฏฐินก็เช่นเดียวกันแต่ว่าความเห็นให้ถูกต้อง ถ้าหาว่าผมเห็นไม่ถูกต้องก็เป็นทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ได้คําว่าเห็นถูกต้องนั่นเห็นอะไรที่ตรงไหนนี่ต้องมาถามกันอย่างนี้ก่อนคําว่าเห็นถูกต้องนั่นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาอันนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเรียกว่าได้แก่องค์มักมักแปดอันว่าอย่างแต่ทีนี้ไม่ได้พูดอย่างนั้นคือพูดเรื่องผมเห็นเฉพาะ ความเห็นของตัวเองเนี่คือต้องเห็นตัวเองจะเห็นคนอื่นนั้นไม่ได้เห็นกำลังทำกาลังพูดกาลังคิดเรีว่าทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องเห็นจริงๆถูกต้องจริงๆอันนี้จับได้ด้วยมือและมองเห็นด้วยตาที่จับไม่ถูกด้วยมือไม่ถูกต้องได้ด้วยมือมองไม่เห็นด้วยตานั่นก็คือจิตใจมันนึกมันคิดเราก็เห็นเราก็รู้อันนั้นเรียกว่าสัญญา ความหมายรู้และจาได้สัญญาอันนั้นไม่ได้สัญญาเหมือนอย่างที่เราเรียนกับตัวหนังสืออย่างที่สัญญาเราเรียนกับหนังสือจาได้มันลืมเป็นอันนั้นหรือคนอื่นพูดให้ฟังเราจไมาแล้วมันลืมเป็นมันหลงเป็นไม่ใช่สัญญาอย่างที่หลวงพ่อพูดนี้อันนี้สัญญาอันนี้ถึงไม่พูดถึงเรื่องตัวเองก็ตาม เมื่อมีคนมาถามเรื่องตัวเองต้องรู้ทันทีว่าสัญญาอันนี้มันมีแล้วมันรู้มาตัวมันเองแล้วสมมติเอาอย่างที่เราทุกคนต้องมีตาสองตาตาสองตานี่สําหรับไปดูถ้าเสียตาหนึ่งแล้วก็เหลือตาเดียวเนี่ยทิฏฐิคือคนเห็นถ้าตาเดียวมองไม่ถนัดหรือมองไม่ชัดถ้าสองตาจะมองชัดลงไป สมมติคนมีตาสองตาแต่ตาหนึ่งมันบอดหรือมันไม่สว่างเยี้งนี้วก็มองตาเดียวอันนี้ก็ยังเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ได้เป็นเพียงทิฏฐิเท่านั้นเองเรามีสองหูเช่นเดียวกันหูข้างหนึ่งมันฟังไม่ชัดข้างหนึ่งมันเสียไปแล้วมันก็ต้องฟังข้างเดียวอันนี้จะจัดเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ได้เป็นแต่เพียงทิฏฐิเพราะฟังหูเดียวอย่างนี้ สมมติเอาร่างกายนี่นเนี่ยมันมีแขนซ้ายแขนขวาหรือข้างซ้ายข้างขวาถ้าข้างนึงมันเสียเป็นอัมพาตเนี่ยแล้วคนนั้นจะสมบูรณ์ไม่ไม่สมบูรณ์เนี่ยวเป็นโรคโรคในที่นี้ก็หมายถึงความทุกข์ความสับสนวุ่นวายคนมีตาเดียวก็มีความทุกข์สับสนวุ่นวายดูอะไรจะไม่ชัดไม่แจ่มใสคนมีหูก็เช่นเดียวกันฟังข้างเดียว ก็ไม่สัดไม่เข้าใจที่มันเหลืออยู่หรือมันไม่พอเราไม่เข้าใจดังนั้นการฟังธรรมะจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นฟังแล้วต้องพิจารณาหรือลงมือปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงอย่างที่พูดนั้นท่านว่าอย่างนั้นดังนั้นการฟังเทศจึงมีอานิสงส์ห้าอย่างท่านว่าอย่างนั้นแต่ว่าในที่นี้ไม่ต้องพูดถึงอานิสงส์ห้าอย่าง เพียงจะเอาทิฏฐิกันมาพูก่อนคือทิฏฐิถ้าถ้าเห็นผิดจากนี้ไปแล้วก็ใช้ได้ผล น, น้อยอย่างที่คนมาถามคุณมีตาไหมเราไม่ได้คํานึงเท่าว่าตาเรามีคนมาถามมีตาไม่มีตาคุณอยู่ที่ไหนจับถูกทันทีนี่ตาข้างหนึ่งนี่ตาข้า ง, ต า, า ง, งตาข้างนี้เป็นอะไรมันเสียเราจะว่าอย่างนั้นถ้ามันเสียก็แปลว่ามันเป็นโลมันไม่สมบูรณ์เมื่อเรามองธรรมะก็เช่นเดียวกันถ้ามองไปข้างเดียวก็ ไม่ได้ผลเราจะรู้ตั้งแต่ดีอย่างเดียวไม่รู้ชั่วก็ไม่ได้ผลเราจะรู้แต่ชั่วอย่างเดียวไม่รู้ดีก็ไม่ได้ผลธรรมะจริงเป็นกลางกลางเขาเรียกามัตสิมาปฏิปทาเดินทางสายกลางวะเนี่ยคาว่ากลางเนี่ยเราให้รู้จักว่ากลางอยู่ที่ตรงไห น, นบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้ ดังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงปฏิบัติที่ตัวเราให้รู้แจ้งเห็นจริ ง, รงตามความเป็นจริงท่นานว่าอย่างนั้นถ้าหากไม่รู้จริงแล้วก็ผิดผิดคาพูดแต่เราพูดได้เรื่องสมาธิเราพูดได้แต่มันอาจจะผิดก็ได้สมาธิแปลความเห็นถูกต้องถูกที่ตรงไหนถูกที่ตาเราจับตาก็าเห็นตาเรามอตาเรามี หูมีไม่จับหูก็ถกูกเด็กๆก็รู้เนี่ยอันนี้เพราะมันมีจริงๆแล้วเนี่ยสัญญาแล้วความจําได้หมายรู้คือไม่หลงไม่ลืมนั่นเองนี่นะแปลว่าเห็นถูกต้องแท้ๆอันนี้แต่ไม่ใช่ถูกต้องแค่นี้นะอันนี้มันเป็นผิวผิวมาเรียกเปลือกนอกมันถ้าเห็นถูกต้องเข้าไปลึกกว่านี้แต่กับกำลังทํากําลังพูดกําลังคิดเอถี่เห็นถูกต้องอันนี้ก็เห็นถูกต้อง เวลาแบบนี้จิตใจเรากําลังคิดอะไรเราก็เห็นก็รู้นี่ก็เห็นถูกต้องเช่นเดียวกันดังนั้นคําว่าทิฏฐิจะควรมเห็นถูกต้องถ้าไปเห็นคนอื่นแล้วไม่ถูกต้องเพราะไม่เป็นเรื่องของคนอื่นอาตจามาเคยพูดหรือผมเคยพูดแพ้ที่รี้รับตําหนิเรานะอยู่ที่ไหนก็รู้คนอื่นนั่นจะรู้ดีเหนือเราไม่ได้เพราะแพ้ที่รี้ลับของตัวเราตัวเราก็ต้องรู้ อย่างที่คนอื่นก็ก็ดีคนอื่นก็ต้องรู้ของคนอื่นจะรู้ดีเหนือคนอื่นไม่ได้เพราะเจ้าของต้องรู้อย่างที่พวกคุณพวกหนูนั่งอยู่ที่นี่แผลที่ริบบบไม่เคยให้คนรู้คนเห็นคุณก็ต้องรู้เองเนี่ยเป็นอย่างนั้นดังนั้นทิฏฐิจะควรมเห็นถูกต้องไม่หลงไม่ลืมไี่ว่าสัญญาความหมายรู้จำได้ดังนั้นการปฏิบัติธรรมะที่ หลวงพ่อพูดนี่คือให้รู้จากตัวเองทีแรกต้องมีวิธีการวิธีการให้นั่งตรงหรือนั่งพับเพียกก็ได้ผัดสมาธิก็ได้เยียดขาก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้นอนทมก็ได้แต่ให้เคลื่อนตัวอยู่เสมออย่านั่งนิ่งไม่ได้ถ้านั่งนิ่งมันไม่รู้สึกตัวความรู้สึกตัวนะจะมีน้อย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 คันว่าสติคระลึกได้เนี่หมายถึงคมรู้สึกตัวนี่เองการเคลื่อนไหวโดยวิธีใดกวรู้สึกตัวความรู้สึกตัวได้มากขึ้นมากขึ้นเกิดการรู้แจ้งขึ้นมาการรู้แจ้งดีว่าปัญญาไม่ใช่ไปพิจารณานะปัญญาตัวนี้ปัญญาพิจารณานันคือจากการฟังและการอ่านหนังสือการกระทำวิปัสนาจริงๆไม่ใช่เป็นการพิจารณา แต่คนอื่นจะเป็นยังไงไม่รู้ไม่ทราบหลวงพ่อทําไม่ต้องพิจารณาเลยทําพลิกมือขึ้นพ่วมมือลงยกมือไปเอามือมาเอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงยเลือดใต้แหนะหัวพิษตาก็รู้หายใจก็รู้รู้มากเข้ามาเข้าเกิดปัญญายานยานไปว่าขมรู้อสารก็ว่ารู้ยานก็ว่ารู้ ไม่ใช่ว่ายานเหาะไปยังเหมือนนกไม่ใช่อย่างนั้นยานไปว่าเข้ามารู้ตัวเองเรีกวท่ทิพทิของตัวเองมีอย่างนั้นเรี่กว่ารู้แล้วก็ไม่หลงไม่ลืมเพราะรู้เรื่องลูกนี่เองลูกได้แก่ร่างกายนามคือจิตใจนี่ลูกกับนามมันอาศัยซึ่งกันและกันถ้าลูกกับนามไม่อาศัยซึ่งกันและกันแล้วจากกันไปแล้วก็ตายเลยคนหมดลมหายใจเขาเรียกว่าตาย ไม่มีจิตไม่มีใจคองแล้วก็คนไม่มีความรู้สึกตัวเรียกว่าคนตายหมดลมหายใจไ่าอย่างนั้นใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้คนตายแล้วท่านววาอย่างนั้นดังนั้นการปฏิบัติธรรมจรึงปฏิบัติที่ตัวเราให้รู้ตัวเราจริงๆ ร, รู้แล้วใครจะมาต่อว่าต่อเถียงก็เรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราต้องรู้ของเราจริงๆเนีร่รู้เรื่องรูปเรื่องนามรูปน้ำ รูปธรรมเนี่ยมันทำมันทําอะไรก็เรียกว่าธทมคือทําดีก็รูปอันนี้ทำทําชั่วก็รูปอันนี้ทมก็ต้องเห็นทำจริงๆทำไม่ใช่เป็นตัวหนังสือที่หลวงพ่อพูดนี้ไม่ต้องเป็นเทวดาไม่ต้องเป็นพระพุทธเจ้าไม่ต้องเป็นใครทั้งหมดคือการกระทํานั่นอีว่าธรทำทําตัวเนี้สําคัญทําดียกมือไหว้ตัวเองทําชั่วควรตําหนิหมันบ้าง เนี่ยทำดีทำชั่วเมื่อรู้ทำเห็นทำแล้วก็โลดเห็นโลกเห็นรูปเป็นโลกร่างกายเป็นโลกโลลูปโลกน้ำโลกเมื่อรูปเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเขาเรียกเป็นโลกมวลโลกนี่จิ่วมีความแสบเผ็ดทาลุนณเรียกว่าความไม่ดีไม่งามเนี่ยโลกโลกทางเนื้อหนังต้องใสอาศัยหมอให้หมอตรวจเซ็คร่างกายให้แล้วหมอผู้ที่มีความรู้จะให้ยารักษาทันที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 โลกนี่หมายถึงความไม่สบายความทุกนั่นเองดังนั้นความทุกนั่นจึงไม่ยกเว้นทุกคนต้องเป็นโลกทุกคนต้องมีทุกความทุกเท่านเี้ว่าโลกจะเป็นโลกทางกายก็เป็นโลกเหมือนกันจะเป็นโลกทางจิตใจก็เป็นโลกเหมือนกันโลกทางวิญญาณก็เป็นโลกเหมือนกันโลกยิ่งว่าความทุกคือความแสบเผ็ดทารุนทุกคนไม่ต้องการแต่ก็ต้องประสบเรื่องนี้จริงๆรินี่พระพุทธเจ้าท่านสอนที่ว่า นี้ไม่พ้นที่ว่ารู้จักว่าเมื่อโลกรู้จักโลกจริงๆแล้วกว็รู้จักวัฏจภาพค่วมทุกทันทีเลยค่วมทุกมันเคลื่อนไหวมาจากจิตใจทุกที่แก้ได้ก็มีทุกที่แก้ไม่ได้ก็มีท่านว่านี่ว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติอย่างที่ทุกอย่างที่คนเราเกิดขึ้นมาทีแรกมันเล่นน้อยนานมาก็ใหญ่ขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็เป็นพ่อบ้านแม่เรือนแล้วก็เขเฒ่าแก่ตายไป อันนี้แก้ไขไม่ได้แล้ว น, นี่มันเป็นไปตามหน้าที่ของมันให้รู้จากว่าโลกอันเนี้ยเป็นไปตามหน้าที่โลกที่จะแก้ไขได้คือโลกทางจิตทางใจโลกทางวิญญาณอย่างที่คนนั่งสบายกินสบายนอนสบายแต่มีบุคคลใดคนหนึ่งมายกยอเราเริ่มมาตาหนิเราเกิดพอใจไม่พอใจ นั่นใจเป็นโลกแล้วจิตวิญญาณเป็นโลกแล้วนั่นอันนั้นก็ทุกข์เหมือนกันนะแต่บางคนอาจจะไม่รู้เพราะว่าควมคิดมันคิดไปบางคนนอนไม่หลับเขาว่าโลกประสาทเข า, าเป็นโลกให้ซื่อว่าโลกแล้วไม่มีความดีแต่เราจะทิศโลกไม่ได้ต้องอาศัยอยู่กับโลกอันนี้จึิงว่าทิศทีคือขมเห็นเห็นให้ถูกต้องจริงๆข้าเห็นไม่ถูกต้องก็เรียกวเป็นขมลูกของมิจฉาทิศที นิกษาซีบแต่ไวอย่างนั้นดังนั้นการทําบุญก็าตามการรักษาศีลก็าตา ม, มการจเจริญกรรมฐานก็าตามการจเจริญนิพพานาก็าตามเราต้องมีความหมายหรือมีความจําเป็นหรือมีความดำริความนึกคิดไว้ในใจว่าจะทําเพื่ออะไรทําเพื่อความรู้แจ้งรู้แจ้งแล้วมีประโยชน์แล้วมาแก้ปัญหาตัวเองคือแก้เรื่องทุกนี้เองนี่ยแก้โลกเนี่ย ถ้าแก้สิ่งนี้ไม่ได้ก็คนนั้นยังไม่เข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาคือยังไม่เข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องโลกเรื่องทุกข์เท่านั้นเองแต่เรื่องอื่นๆนั้นพระพุทธเจ้าทั้งก็สอนเป็นธรรมดาแต่เรื่องง่ายใจคขมหรือคขมสําคัญที่สุดก็เรื่องทุกข์นี่เองดังนั้นทุกข์จึงมีมากถ้าเราสงสัยตายแล้วเกิดไม่ก็เป็นทุกข์นี่ สงสัยผีมีไหมก็เป็นทุกข์สงสัยเทวดามีไม่ก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะเรื่องอะไรเพราะเรื่องเราไม่เห็นแจ้งไม่รู้จริงนั่นเองเราเกิดสงสัยขึ้นมาเล็กเล็กน้อยน้อยสงสัยน้อยก็เป็นทุกข์น้อยสงสัยมากก็เป็นทุกข์มากดังนั้นจึงทําให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเมื่อเห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงความสงสัยลังเลกังวลใจก็ไม่มี เมื่อไม่มีความสงสัยลังเลกังบนใจแล้วคนก็ต้องไม่ปีทุขทันว่าอย่างนี้ความทุกประเภทนี้ไม่ใช่ทุกอย่างอื่นความทุกที่ความสงสัยตายแล้วเกิดไหมเนี่ยก็สงสัยก็เป็นทุกข์เทวดามีไหมสงสัยก็เป็นทุกข์ผีมีไหมสงสัยก็เป็นทุกข์ตายแล้วไปตกนรกไหมสงสัยก็เป็นทุกข์ตายแล้วเป็นสวรรค์ไหมสงสัยก็เป็นทุกข์ความทุกพวกความสงสัย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 คิดเรื่องนั้นมาติดคิดเรื่องนี้มาต่อก็หยุดความคิดไม่เป็นคนประเภทนั้นเรียกว่าคนมีความทุกข์พระพุทธเจ้าทา่านสอนว่าคนมีความทุกข์มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นดับไปเนี่ยพระพุทธเจ้าท่งสอนคือตัวความคิดเป็นทุกข์ดังนั้นเรามาศึกษาและมาปฏิบัติธรรมะจึงศึกษาเข้าไปให้มันรู้ว่าความคิด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 เรียนได้จบปริญญาเอกมาแล้วก็มาถามเอ๊ะผมคิดทําไมนอนกลางคืนก็ฝันนี่ยคิดยังไงไม่หยุดเป็นเนี่ยบางคนบางคนเรียนเป็นหมอเรียนเป็นหมอจบเป็นหมอแล้วไปรักษาคนไข้คนยังมีความคิดหยุดคมคิดไม่ได้เนี่ยอันนั้นมันดีแล้วผมรู้แบบนั้นแต่ว่ามันไม่ได้ดึงคผมรู้มอาแต่ว่ามันไม่ได้ดึงควมรู้ที่จะมาแก้ทุกเรื่องนี้แต่แก้ทุกเรื่องโรคทางเนื้อนหนังแก้ได้หมอ บัด น, นี้คนที่จะเขียนหนังสือทาเป็นจดหมายหรือเข้าไปศึกษาเล่าเรียนเป็นทานายความหรือเป็นอะไรก็ตามคนเขียนหนังสือรู้จักทาเป็นแต่เรื่องจิตใจนี่คนทําไม่ค่อยเป็นน้อยคนทําได้เรื่องนี้ดังนั้นพวกเรามาที่นี่มาฟังธรรมะที่นี่ต้องทําความเห็นให้ถูกต้องจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิเรื่องสัมมาทิฏฐิจะมีมากมีเปือกมีหมอก มีกระที้มีแกนมีแกนเป็นอย่างนั้นดังนั้นการทำความรู้สึกตัวนี้จึงมีอานิสงส์มากอานิสงส์การรู้สึกทำความรู้สึกตัวนี่จะงบประมาณเป็นเงินเป็นทองไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้จะเปรียบให้ราคาเท่าไหร่ก็เปรียบไม่ได้เพราะเรารู้เองเห็นเองเข้าใจเองอันนี้จีวไม่เสื้อไขรทั้งหมดเพราะเรารูด้ดีจะไปเสื้อคนอื่นทำไมอย่างที่ตาเรา ตาข้างใดมันดีเราจะรู้ตาข้างขวาไม่ดีเราก็รู้ตาข้างซ้ายไม่ดีเราก็รู้เพราะตาของเราเองแต่ตาข้างขวาเป็นโรคเนี่ยเรากต้องรู้จักตาข้างซ้ายไม่เป็นโรคเราก็ต้องรู้จักตาข้างซ้ายเป็นโรคตาข้างขวาไม่เป็นโรคเราก็ต้องรู้จักเพราะเรามีสองตาดังนั้นการฟังธรรมะจึงฟังให้เป็นหูก็เหมือนกันแค่ฟังหูนี่ไม่ถนัดบางคนเอาเครื่องมามาฟังสํารองขยายอีกก็มีนะ ฟังไม่ถนัดหูมันไม่ดีเนี่ยอันนี้นก็เหมือนกันบัดนี้ถ้าคนเราเนี่ยซิกนี่เป็นม า, าพาศแล้วเนี่ยใส้งานได้ไหมใส้ไม่ได้ซิกนี่ยังดีมันก็ได้เพียงเล็กน้อยดังนั้นการฟังธรรมะนั้นจึงเป็นหน้าที่ที่ทุกคนฟังให้เข้าใจและนำไปปฏิบัติจึงจะถูกต้องจึงจะไม่พลาดพิดที่อาจรมาพูดนี่เพื่อทาความเข้าใจไม่ได้มีสับแสง บาลงบาลีอะไรกันพูดเป็นภาษาพื้นบ้านเพราะหลวงพ่อเป็นคนไทยไม่ได้อาศัยบาลีในภาษาอินเดียมาพูดเพราะถ้าพูดเป็นภาษาบาลีในอินเดียแล้วหลวงพ่อไม่รู้เพราะหลวงพ่อเขียนหนังสือไม่เป็นอ่านหนังสือไม่ได้เพราะไม่เคยเป็นนักเรียนจักอ่านได้ทําไมหลวงพ่ออ่านไม่เป็นเขียนในเก็บไม่เคยเข้าโรงเรียนจึงวักเขียนไม่ได้แต่วิธีปฏิบัตินี่หลวงพ่อพอรู้ พอมีแนวความคิดได้จะว่าคนมันเป็นโลกเป็นโลกทางเนื้อหนังเป็นโลกทางจิตใจทัน่าอย่างนั้นดังนั้นจุดวิธีของหลวงพ่อเห็นคือให้ทานข้อดีแล้วมันเป็นเปลือกเป็นกระพี้เป็นสเก็ดรักษาศีลดีแล้วมันเป็นเปลือกมันเป็นกระพี้มันเป็นสเก็ดคำกรรมฐานนั้นมันเป็นซื้อของความสงบดีแล้วแต่มันเป็นเปลือกเป็นกระพี้เป็นสเก็ดของมัน ทำด้วยปัสนาไปวัรู้แจ้งรู้จริงมันก็เป็นคําพูดมันเป็นเปลือกเป็นกระพี้เป็นสเก็ตของมันแต่ตัวจริงแล้วคือเรารู้ตัวเราดินั่งอยู่เนี่ยกําลังเอียงมาข้างซ้ายก็รู้สึกตัวนี่รู้จริงไม่รู้จริงเอียงมาข้างหัวสิรู้จริงรู้จริงตาเธอมีไม่จับถูกทันทีหูมีไม่จับถูกทันทีเพราะเรามีสองตาสองหูเคลื่อนไหวโดยวิทยาอรู้เรียกว่า ถูกต้องจริงๆไม่พลาดเลยอันนี้แปลควคมเห็นถูกต้องบัด น, นี้เดียวจิตใจเราคิดขึ้นมาดีใจเสียใจเนี่ยเราก็เห็นไม่พลาดเลยอันนี้เพราะทุกคนรู้จะรู้แทนกันไม่ได้ดังนั้นจังหวัดสันทิโกอันผู้รู้จะพึงเห็นเองอาการเรียกโคไม่ประกอบการและเวลาจะมียุคใดสมัยใดก็ตามจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็ตาม ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรลูกก็ตามจะเป็นกลางวานันกลางคืนก็ตามหรือเศร้าเย็นก็ตามเราต้องรู้ตัวเราจริงๆอันนี้เป็นทิฐิของหลวงพ่อนี่แนหะคือบุญแท้บุญแท้คือลูตัวเองนี่เองแต่บุญอื่นๆนั่นก็ดีแล้วแต่มันยังเป็นฤิสายของคนที่ยังไม่เข้าใจตัวเองดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ต้องยกมือไหว้ตัวเองได้เพราะว่าเราไม่เคยรู้เพราะการเคลื่อนไหว รู้สึกตัวนี่จึงมีอานิสงส์มากจะคิดเทียบราคาเงินก็ไม่ได้จะคิดเทียบราคาอันใดไม่ได้ทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ดังนั้นคนถ้าหากรู้จิตรู้ใจรู้ชีวิตตัวเองแล้วก็เรียกว่าคนนั้นหัพวพุกจะน้อยไปหรือถึงกับไม่มีก็ได้เป็นอย่างนั้นแต่เรื่องตายตายตายเนีแน่เกิดที่พระพุทธเจ้าท่านว่าตายไม่เปลี่ยนก็ได้ ที่มันตายไม่เป็นอยู่ที่ไหนคือจิตใจของเหล่านี้เองมันตายไม่เป็นเดี๋ยวนี้เนี่ยคนทุกคนนั่งสบายสบายอันนี้นี่แต่ทําไมจึงไม่รู้ถ้ารู้อันนี้แล้วจะเป็นยังไงแล้วก็เป็นสบายนี่เองนี่ดังนั้นคนโบราณจึงสอนเอาไว้วัดสวรรค์อยู่ในอกนรกก็หยุดในใจยังไสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจพระนิพพานก็ไม่ไกล พระนิพพานก็อยู่ที่ใจเช่นเดียวกันแต่คนไม่ว่าคนนั้นคนนี้เลยหลวงพ่อเองเนี่ทำบุญแล้วต้องการไปเกิดสวรรค์ไปเกิดนิพพานปราถนาว่ายวนเอาแต่เราไม่รู้ว่าสวรรค์อยู่ที่ไหนนิพพานอยู่ที่ไหนเราจะเอาได้ไหมเพราะเรายังไม่รู้เนี่ยดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนเอาไว้หรือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเคยสอนเอาไว้จิตใจสะอาดจิตใจสว่าง จิตใจสงบนั่นคือจิตใจพระพุทธเจ้าทันวัยอย่างนั้นจิตใจพระพุทธเจ้าต้องเป็นอย่างนั้นบัดนี้เราเนี่ยถ้าหากว่าจิตใจเราสะอาดสว่างสงบก็เข้าไปใกล้พระพุทธเจ้าได้เช่นเดียวกันแต่พระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียนเราเข้าไปใกล้ไม่ได้เพราะท่านมีพานแล้วดังนั้นเข้ามาใกล้จิตใจของเรานี้อาจจะเข้าไปใกล้ได้ทั้งนั้เพราะว่าใกล้กับพระพุทธเจ้าของเรา แต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้านอกตัวของเราท่านสอนอย่างนี้ใกล้ๆบัด น, นี้เมื่อจิตใจบริสุทธินน์บัดนี้จิตใจบริสุทธิ์จิตใจผุดทองด้วยสติปัญญาการเห็นแจ้งหวยแล้วก็ใกล้ๆเข้ากับพระธรรมแลว้วบัดนี้พระธรรมก็ไม่ใช่เป็นตัวหนังสือจึงว่าการทำอันนี้ก็ทำพูดก็เป็นธรรมคิดก็เป็นธรรมใกล้ๆกับพระธรรมแลว้วบัดนี้ เราก็เข้าถึงพระธรรมก็ได้แต่เข้าถึงพระธรรมที่ตัวของเราบัดนี้เราเสื้อฟังธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติอย่างนั้นให้ปฏิบัติอย่างนี้เราก็เลยมาทําตามพระพุทธเจ้าเมื่อทําตามพระพุทธเจ้าก็คล้ายๆคือเข้าไปใกล้กับพระสงฆ์ดังนั้นจึงสุปฏิปโนพระคาวาโตสาวกัสังโคแปลว่าสงสาวกของพระภิกษุภาคเจ้านั้นหมใด้ปฏิบัติดีแล้วท่าน อิชุปฏิปโนพระคาวาโตสาวกสังคูสงสาวกของพระพุมิภาคเจ้านั้นโมไดปฏิบัติตรงแล้วท่านว่าคือปฏิบัติตรงตัวตั ว, ตวเองปฏิบัติตัวเองเมื่อเราฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนําไปปฏิบัติจริงๆเป็นสัมมาทิฏฐิเหมือนกับพระพุทธเจ้าคูดแล้วก็เราก็เข้าไปใกล้ๆกับพระสงฆ์แล้วเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้จริงๆ ไม่ใช่เป็นพระสงฆ์สาวกเหมือนที่ว่าเป็นสมโนครัวนะที่หลวงพ่อพูดนี่คือเป็นพระสงฆ์สาวกทางจิตใจดังนั้นญาติโยมก็เป็นพระได้พระอันนี้ไม่ได้หมายถึงการโกนผมนุ่งเหลืองห่มเหลืองถ้าหากเป็นการโกนผมนุ่งเหลืองห่มเหลืองนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งพระสงฆ์อันนี้เป็นพ่อบ้านแม่เหลืองก็เป็นพระสงฆ์ได้เป็นหนุ่มเป็นสาวก็เป็นพระสงฆ์ได้ แต่เราไม่เคยรู้พระสงฆ์ก็เลยจะเอาพระสงฆ์มาไว้ที่ตรงไหนเราก็ไม่รู้บันเมื่อจิตใจเราบัเ น, นียไม่หลงไม่ลืมแล้วบันเนี้เพราะมันมีสัญญาจาแนบแน่นอยู่แล้วบันนีหลงไม่มีลืมไม่มีโทสะโมหะโลภะเกิดขึ้นได้ยากก็เรียกว่าเราเข้ากับพระนิพพานได้บันเนียพระนิพพานยอยู่ที่ตัวเราไม่ต้องไปหาที่นอกตัวเราไป ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนิพานก็ไปเอานิพานมาใช้กับชีวิตของเราไม่ได้เมื่อใจเรายังมีหลงก็เรียกว่าสัญญาเราไม่มีเพราะเราไม่มีสัญญาแบบนั้นแต่สัญญามาเอาของไว้ที่นั้นเอาของไว้ที่นี้อันนัน้นเป็นสัญญาอีกเรื่องนึงสัญญาจึงมีมากสัญญาจึงควหมายรู้จาได้ทั น, นดังนั้นวิปัจนายานเกิดขึ้นแล้วจะพาดผิด มีน้อยหรือบางทีอาจจะไม่พลาดผิดเลยเพราะว่าได้เจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาให้เห็นแจ้งจรูง้จริงตามความเป็นจริงทันวันอย่างนั้นดังนั้นการทําการเคลื่อนไหวจึงมีอานิสงส์มากใครก็ทําได้เด็กก็ทําได้คนหนุ่มคนสาวก็ทาได้าเป็นพ่อบ้านแม่เลือยงก็ทําได้คนเฒ่าคนแก่ก็ทําได้ไม่ใช่ว่าจะทําได้ตั้งแต่พระสงฆ์ เดื๋วนี้เราถือพุทธศาสนานั้นจําเป็นเอาให้แต่พระสงฆ์แต่เราไม่อยากเป็นพระกันเป็นอย่างนั้นญาติโยมก็ไม่อยากเป็นพระเป็นพระไม่ได้ในทันวัอยังดังนั้นเมื่อฟังตามเรื่องสะดกแล้วนางวิสาขาก็ยังมีครอบครัวมีผัวมีเมียก็พระพุทธเจ้าท่านว่านางวิสาขาเป็นพระโสดาบันไดดวงตาเห็นธรรม ดวงตาเห็นทมแล้วก็ไปเห็นนอกตัวเราไปคำที่หลวงพ่อพูดเนี่ยดวงตาเห็นทมคือเห็นกำลังธทมกำลังพูดกำลังคิดอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยจิตใจไม่หลงจิตใจไม่ลืมจิตใจไม่อยู่ด้วยโทสะโมหโลภะอันนั้นเรียกว่าจิตใจของเราเข้าใกล้กับพระนิพพานหรือจะว่าเราเข้าไปอยู่ในิพพานก็ได้คำว่านิพพานนิพพานาหมายถึงความตายความตายที่ตรงไหน เราก็ไม่เห็นเพราะนิพพานจึงไม่เกิดไม่ตายเกิดไม่มีตายไม่มีนิพพานจึงเป็นผู้เอามาไว้กับจิตกับใจเราได้ไปไหนมาไหนเราก็ต้องอยู่กับนิพพานไปกับนิพพานเนือบุคคลผูนันก็ดี่ยวเป็นคนสวยคนง า, ามทันวันอย่างนั้นจริงว่าจุดเทียนลงไปเอาดอกไม้ลงไปหรือจุดธูปลงไปเราเป็นเพียงทาพิ ธ, ธีเราไม่เคยศึกษาตัวจริงมันสักทีเลยดังนั้นญาติโยมมาวันนี้ก็ อยากอยากเป็นการขอร้องให้เราทำดูจริงๆแต่เมื่อเราไม่ทำดูแลจะไปจำคำพูดคนนั้นคำพูดคนนี้มันเป็นสัญญาความจำเราจะไม่เห็นแจ้งจะไม่รู้จริงนิปัฒนาจึงเห็นแจ้งรู้จริงต่างเก่าร่วงภาวะเดิมอันนั้นเป็นคำพูดเห็นแจ้งก็เห็นอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่เองเห็นแจ้งรู้จริงมันมีจริงๆเรื่องนี้ยกเว้นไม่ได้จะเป็นคนไทยก็มีเช่นเดียวกัน จะเป็นคนจีนก็มีเช่นเดียวกันจะเป็นคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาคนคาเมนคนยวนคนลาวใครๆก็ตามนุม่งผ้าสีอะไรถือศาสนาไหนก็มีเหมือนกันเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นใช่มว่าเป็นคมจริงแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผั น, นจู้แจ้งได้จริงๆถ้าทำให้ถูกต้องถ้าทาไม่ถูกต้องก็ยังว่านี่ยนะ ก็ข่มเห็นมันยังไม่เหมือนกันยังเป็นทิศทิศยัคว่มเห็นดังนั้นเมื่อเห็นแจ้งรู้จริงหรอกวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นจริงๆเห็นกําลังเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยเห็นแจ้งรู้จริงจริงไหมจริงเนี่ยเป็นสมมุติบัญญัติขึ้นมาแล้วเป็นปรามัติปเนี่ยมีจริงไม่จริงแล้วเนี่ยเป็นอัฐะบัญญัติขึ้นมาลึกลับซับซ้อนยากบุคคลที่จะเห็นได้เรื่องชีวิตจิตใจเห็นไหอริยะบัญญัติจึงเป็นอริยบุคคลถ้าอริยบุคคลท่านว่า ขั้นต้นเลี้ยงพระโสดาบันบุคคลเป็นคําพูดเป็นหลวงพ่อไม่ได้พูดทุกขเวทนาทุกโศกโศกาทุกให้ลำํำไยจัดเข้าเป็นชกขังอันอีกอย่างไน่ง ไ, ได้ท่านว่าอย่างนั้นจริงว่ามันมากคําพูดมันมากแต่เพียงมาจัดใจขมท่านสั้ น, นปฏิบัติเพื่อเนอี่ยมาแก้ปัญหาเรื่องโลกนี่จริงๆโลกเนี่ยให้เข้าใจว่า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 ดังนั้นที่เราไปโรงพยาบาลพูดแล้วเมื่อกี้เนี่ว่าเราไปเห็นคนนอนไข้อยู่โรงพยาบาลในเตียงเป็นโรคอะไรเนี่ยเราถามกันคําว่าโรคเนี่ยให้เข้าใจว่าคุณเป็นอะไรเล่นน้อยที่สุดตัวยคุณเป็นโรคอะไรมีถามอย่างนี้โรคจึงว่ามีโคมทุกมากคนไม่รู้จักโลกก็จะอาศัยโคมทุกนั่นแหละเป็นโคมสุขคนเมื่อรู้จักโลกจริงๆแล้วเขาจะพยายามหันเหถีจากโลกให้ได้ โรคทางเนื้อหนังนี่หนีไม่ได้ต้องเป็นต้องตายแต่โรคทางจิตใจนั่นน่ะจะเอาออกได้จะไม่คิดสับสนวุ่นวายอย่างที่ญาติโยมหรือเพื่อนภิกษุฟังผมพูดหรือฟังอาตมาพูดเดี๋ยวนี้จิตใจเป็นยังไงถามมงเป็นยังไงเฉยเฉยครับเฉยเอันนี้แปลว่าไม่มีโรคใช่ไหมเนี่ยไม่มีโรคเร่องนี้นนเนี่ยบันนี้มันคิดสับสนคึกวุ่ น, นวายขึ้นมามันเป็นโรคยังจะสบายไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยมันเป็นโรค ดังนั้นทุกคนมันมีแต่เราไม่เคยสนใจที่ตรงนี้จะมาไปหาเอาสวรรค์นอกตัวเราไปหาเอานิพพานนอกตัวเราแล้วหาของไม่มีที่อยู่มันจะได้ไหมมันไม่ได้ถ้าหาที่ตรงนี้เข้าใจว่าจะไม่พลาดผิดเพราะทุกคนจะเห็นได้เรื่องนี้จะแนะนำกันไม่ได้แต่เพียงแนะวิธีให้ได้แล้วพูดออกมาแล้วรู้จักกันได้ดังนั้นการทำสมถะกรรมฐาน ก, กา็ต่าง การจเจริญนิพพานกตามมันเป็นคำพูดแต่เมื่อเราเห็นแจ้งรู้จริงแล้วใครจะว่ายังไงเขได้ไเนพราะเราไม่อยู่กับสมมุติอันนี้แต่เราก็อยู่กับสมมุติอันนี้สมมถะกรรมาฐานจึงเป็นอุบายให้สงบจิตสงบใจกันว่าเมื่อนั่งให้มาสงบจิตสงบใจแล้วออกมาพิจารณาเองเ อ, อันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนั้นเป็นอย่างนั้นอาการสาติสสองผมฟันขนเล็บมาพิจารณายังอันนั้นเป็นสมมถะกรรมาฐาน เพียงให้มันสงบจิตสงบใจแล้วเขมาพิจารณาเองไม่ใชวิปัสนาวิปัสนาเนี่ยแปลว่าเห็นแจ้งรู้จริงไม่ต้องใช้สติปัญญาไม่ต้องไปนึกไปคิดอะไรมันขึ้นมาเองเนี่ยว่าญาณย่อมมีใช่ไหมถึงที่สุดแล้วญาณย่อมมีนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้บันนี้ในตำราก็มีนะเพราะนั่งเขียนไว้นะแต่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพูดหรือใครพูดก็ไม่รู้มีหนังสืออยู่คือธรรมวิภาคปริเสตสองก็มี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 เอาชนนั้นไปพูดตัดตรงกลางแล้วเนี่ยมันขาดออกจากกันได้อันนั้นแดี๋วคือมันไม่มีการรกวนคือจิตใจจะไม่สับสนเพราะส่งนี้มันไม่ควรคิดให้มันก็หยุดได้ในทอนนี้บัดนี้มันคือเรากําลังเปลยนโลกอย่างโอ้ยมันไม่อยากให้มันคิดในเรื่องนี้ดันั้นมันก็คิดขึ้นมาบางทีเอาพวกกันใกล้ๆนะสามีภรรยาอยู่ด้วยกันถึงเวลามาไม่มาคิดสงสัยขึ้นว่าจะหาว่านอกใจกันเนี่ยทุกขึ้นมาแล้ว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 ความคิดประเภทเนี้ไม่มีมากก่็ น, น้อยทุกคนต้องมีหรือความคิดอยากกินอาหารดีๆอยากได้เสื้อผ้าดีๆอยากได้ของดีๆความคิดประเภทนี้ต้องมีทุกคนแต่มันหยุดไม่ได้ทำไมหยุดไม่ได้เพราะเราไม่มีวิธีหยุดเพราะเราไม่รู้วิธีการนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราทุกคนจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาให้ปัญญามันรู้เองเห็นเองเข้าใจเองดังนั้นสมถะกรรมฐานจึงว่า ไม่รู้กิเลสจึงไปตกอยู่ความสงบเป็นอย่างนั้นในคดีวิปั ส, สนาเนี่ยไม่ต้องหยุดแค่กิเลสสงบแบบนั้นคือสงบแบบเห็นแจ้งรู้จริงสงบแบบเห็นแจ้งอย่างเที่วตาไม่ไม่จับทูกทันทีหูมีไม่จับทูกทันทีตาเบื้องนี้มันเสียมันไม่ค่อยดีก็จับทุกได้หูเบื้องนี้มันเสียก็จับทุกได้แข้งขาหรือแขนข้างเบื้องนี้เป็นอวิภาตมันก็รู้ อันนี้เรียกว่าคนรู้จริงเข้าใจจริงเพียงสมมุติมาพูดให้ฟังดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนของจริงทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมาดีแล้วแต่ไม่ใช่ไม่ดีดีแต่มันแก้ปัญหาไม่ได้ทุกคนมาที่นี่เคยได้ฟังหลวงพ่อพูดหลวงพ่อพูดขบจริงอย่างนี้ พระพุทธเจ้าของเราสมัยเมื่อยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าบวกเข้ามาก็ไปศึกษากับอาลาดาบทอุทกาดาบทสองอาจารย์นี้อันนั้นเราเข้าใจว่าเป็นพุทธศาสนาอันนั้นไม่ใช่เป็นพุทธศาสนามันเป็นเพียงศาสนาพราหมณ์ศาสนาลือศีสีไพเขามีประจำกันอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทําจนได้สมาบัตแปดแล้วอันนั้นก็ไม่ใช่เป็นทางแก้ปัญหาไม่ใช่เป็นทางแก้ทุกแก้โรคตัวเองไม่ได้ พระเจ้าจึงไม่พอใจแค่นั้นสมถะกรรมฐานสงบอยู่แค่นั้นจังว่าสมถะกรรมฐานเป็นอุบายสงบจิตสงบใจเมื่อสงบจิตสงบใจแล้วก็มาพิจารณาผมฟันขนเล็บเรื่องอสุภะเนี่ยร่างกายเราไี่เป็นหน้องเป็นเลือดเป็นน้ำเน่าน้ำเหมล็ดอะไรออกมาตามซ่องหูซ่องตาซ่องปากอะไรเราก็พูดกันมาแม้ขี้หัวขี้ใครอะไรเราพูดกันมาอันนั้นเป็นการพิจารณาเอง แต่พิจารณาได้ก็ดีอันนี้ก็จะพิณตาเรามีมีความสุขภูมิไม้ตามันสว่างเนี่ยมีขี้ตาออกมาเนี่ยแล้วก็ขี้ตาหูเราฟังได้มีความสุขภกมิไม่มีขี้หูเนี่ยมันมีขี้ทั้งนั้นแมตสิสะแล้วก็ขี้หัวบ้านหลวงพ่อเนี่ยเป็นอย่างนั้นขี้ใครขี้อันนั้นเป็นการพิจารณาเรื่องสมถกรรมาฐานหลวงพ่อเคยได้พิจารณามาเรื่องเหล่านี้แต่มันแก้ปัญหาไม่ได้ เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วคนมาพูดให้ยกยอบางที่ก็สมดีใจบ้างคนเขามาตำหนิเราที่เราทําไปมันไม่ดีจะเนี่ยเสียใจไม่พอใจมันยังมีอย่างนี้น อ, นยนยนอยู่อันนั้นมันแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้เพราะจิตใจยังเป็นโรคสับสนวุ่นวายอยู่อย่างไงเมื่อมาทำกรมรู้สึกตัวนี่อ๋อเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่แก้ปัญหาไม่ได้แต่คนโดยมากคนเลยถือว่า ถ้คนนั้นสวยดีงามดีเรารู้จิตใจและตัวเองหรื อ, อยังจะไปเห็นคนอื่นว่าสวยว่าดีว่างามไปยกยอเขานั้นดีไหมดีแต่ตัวเราดีหรือไม่เท่านั้นเองดังนั้นการทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวเราดีเหมือนกับตัวท่านดีนั้นอย่างที่พระพุทธเจ้านี่อย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้เนอะจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจไม่คุณโมวขว่าจิตใจของพระพุทธเจ้า เมื่อเรารู้จักว่าจิตใจเราก็มีสะอาดสว่างสงบเราก็เข้าไปใกล้กับพระพุทธเจ้าได้เช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่ใกล้พระพุทธเจ้าองค์นั้นวันจิตใจพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์ผุดพร่องสามารถมองเห็นอะไรต่างๆได้ก็เรียกเป็นพระอรหันต์บัดนี้จิตใจเราก็มีบ้างไหมจิตใจบริสุทธิ์เราสามารถที่จะมองเห็นคนนั้นทำอย่างนั้นคนนั้นพูดอย่างนั้นคนนั้นคิดอย่างนั้นเราก็สามารถมองเห็นจิตใจแล้วก็เข้าไปใกล้กับพระธรรมได้เช่นเดียวกัน เนี่มันเป็นยังไงหรือเราอาจจะถึงพระธรรมของเราก็ได้เพราะเราฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนเราแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามแล้วก็เข้ า, เ ข, าเข้าไปใกล้กับพระสงฆ์ได้เช่นเดียวกันหรือตัวเราเองจะทำให้พระสงฆ์เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราก็ได้เมื่อจิตใจเราไม่หลงไม่ลืมสิ่งที่มันแนบแน่นซึ่งเรารู้นั้นก็เรียกว่าเราเข้าใกล้กับพระนิพพานก็ได้ หรือเราจะเอาพระ n ิพ v a n มาไว้กับเนื้อกับตัวแล้วก็ได้เพราะเราไม่หลงไม่ลืมสัญญาจึงเป็นความหมายรู้จําได้แต่สัญญาอันโลกโลกนี่เขามีเหมือนกันก็เขาว่าสัญญาเหมือนกันดังนั้นจึงวิปัสนาจึงเป็นการเห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงทันไหวดังนั้นโลกนี้จะเป็นยุคพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนี้จะเป็นยุคไม่มีพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนี้ความทุกข์ควา ม, มสับสนวุ่นวายนั้นเพราะเรื่องจิตใจทั้งนั้นท่านจึงว่า พระพุทธเจ้าตัดจะรู้เพราะการทําทางจิตทางใจเทาันแต่ทุกคนได้ยินกันมาแต่การทําทางใจทำอย่างไงไม่ค่อยเข้าใจกันหรือไม่ค่อยสนใจกันว่าอย่างนี้เขาได้ไปสนใจเรื่องคนนั้นดีคนนี้ชั่วแต่เรื่องตัวเองไม่เคยสนใจเลยหลวงพ่อเป็นอย่างนั้นเมื่อมาสนใจตัวเองโอเรื่องคนอื่นไม่ใช่เรื่องเราคนอื่นมาทําให้เราทุกข์ไม่ไม่เราเองเป็นคนหลงตนลืมตัว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 ดังนั้นทุกคนพอที่จะฟังได้พูดเป็นภาษาพื้นบ้านง่ายๆที่อาจรมาได้มาให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจในวันอาทิตย์นี้ก็เห็นว่าพุกคนมาที่นี้ก็พอที่จะฟังได้พูดเอาเป็นภาษาพื้นบ้านไม่ได้อ้างศัตว์แสงบาลมบาลีอะไรละเพราะตัวหลวงพ่อไม่เคยเรียนหนังสือก็ต้องพูดภาษาทิฐิของตัวเองจ้ะทิฐิของหลวงพ่อเป็นอย่างนี้ทิฐิของอาจรมาเป็นอย่างนี้ที่ว่า ถ้าจะพูดว่าสัมมาทิฏฐินั้นใครตัดสินให้ไม่ได้เราต้องพูดเอาเองว่าสัมมาทิฏฐิควอมเห็นจริงถูกต้องถูกจริงไหมเราก็ว่าถูกจริงแล้วคนอื่นอาจจะว่าผิดก็ได้แต่เราต้องถูกต้องคนเดียวเราดังนั้นของจริงนั้นมีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นจะเป็นผู้หญิงก็เหมือนกันมีเหมือนกันเป็นผู้ชายก็เหมือนกันให้ว่าทุกชาติทุกภาษาทุกเทศทุกวย มีเหมือนกันทั้งหมดเรื่องนิพพานแต่เราไม่ทําให้นิพพานปรากฏเกิดขึ้นเราก็เลยไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรอยู่ที่ไหนเราไปหาบุญสแสวงบุญนักสแสวงบุญบุญคืออะไรอยู่ที่ไหนเราก็เลยไม่รู้มี่ได้ไปสแสวงนอกตัวเราไปทั้งนั้นเอาแหละที่อาจารมาได้มาให้ข้อคิดเป็นเครื่องปิ่นจิตสะกิดใจในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเคิเวลาแล้วท้ายที่สุดนี่อาจารมาพร้อมด้วยพระสง์และญาติโยม มานั่งฟังธรรมะอยู่หนาสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระรันตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิจใจของพวกเราให้พวกเราได้เห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงอย่างพระพุทธเจ้าท่านตัดอวัยวาสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตนี้บัดนี้ สัตว์ทั้งหลายเราพูเป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตรถาคตนี่ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะ ม, จะมีอย่างเราตรถาคตนี่ทันวนั้นดังนั้นขอให้ทุกคนจงได้ประสบพบเห็นเอาอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตัดไายนั้นในชีวิตนี้จงทุกทุกคนเธอหวังงนงานได้นาย ปัญหาจิไม่ได้เป็นหาขขากันอร่าไรแต่มันอยู่ที่ตรงนี้ล้วก็เราเห็นรู้เข้าใจอย่างนี้ <c oughs> ลักษณะอย่างนี้เรียกค่วามเป็นเองความีเองในคนทุกคนไม่ยกเว้นอย่าง เมื่อเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ห็จางหายไปเหมือนกับน้มมําสีสมมติให้นฝั่งทีแรกเราเคยโกรธคนไม่พอใจกับคนนั้นคนนี้มันเต็มที่มันทันทีเลยเหมือนกับน้ําสีเต็มกระป๋องมีคุณภาพร้อยเปอรเซ็นต์อะไปย้อมผ้าขาวสีมันจะติดเมื่อผ้าทั้งหมดเลย ถ้าเป็นสีดำ ม, มันก็ดำทั้งเนื้อผ้านั่นดำทั้งหมดถ้าเป็นสีอันใดมันก็ไปทำสีอันนั้นเลยเนื้อผ้าบัดนี้เมื่อเราเห็นเรารู้เราเข้าใจเราสัมผัสได้แน บ, แ น, บแน่นกับสิ่งเหล่านั้นได้สมมุติน้ำสีเต็มกระป๋องคุณภาพไม่มีหรือว่าน้ำย้อมไหมอยู่อย่างไรเอาไปย้อมผ้าขาวผ้าขาวกับ น้ำสีมันจะไม่ติดกันเลยสีจะไม่ติดเนื้อผ้าพันเป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจางคายไปทั้งหมดเลยอันนี้แหละเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดเมื่อรู้สึกกับการเคลื่อนไหวจึงว่ามีจังหวะมีจังหวะเลียนจังหวะเก็บมือเข้าเอามือออกป็นแล้วเลียนจังหวะลุกจังหวะนั่ง แล้วก็เลียนจังหวะนอนเลียนจังหวะลุกเลียนจังหวะกราบเลียนจังหวะไหว้จึงว่าเป็นการเขารบตัวเองนบน้อมตัวเองได้ยกมือไหว้ตัวเองได้เป็นเมื่อยกมือไหว้ตัวเองได้แล้วก็ถือว่าเป็นมนุษย์เป็นยอดของมนุษย์เป็นคน เป็นยอดของคนแต่ก่อนนั้นไม่รู้ก็เป็นคนอยู่เหมือนกันหน้าตาแข้งขามือเท้าเป็นคนจิตใจอาจเป็นสีก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นเป็ก็ได้เป็นสัตว์เวลาสารก็ได้ก็เลยพูดกันภาษาง่ายๆเรียว่ามีตาทิพมีหูทิพขึ้นมาภายในจิตใจของตัวเอง ตาทิพย์อันนี้งูทิพย์อันนี้ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เป็นภายนอกหมายถึงสิ่งที่เป็นภายในคำว่าตาทิพย์ก็ไม่ได้หมายเห็นตับไต้ตปอดคนนั้นคนนี้หมายเห็นการเคลื่อนไหวการนึกการคิดจิตใจของตัวเองนี่เองนี่มันเห็นมาที่ตรงนี้ หูทิพก็แสดงว่ามันคิดอะไรเรารู้หรือคนอื่นมาพูดให้ฟังเรารู้มันจึงคุกลดน้อยไปลดน้อยไปอย่างนี้แต่ลักษณะความเป็นของมันนั้นจะเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นไป <c oughs> แต่ให้สำคัญว่าเราทำความรู้สึกไห่เป็นการทำความรู้สึกนี่แหละ มันเป็นยอดของปัญญาเป็นยอดทุกสิ่งทุกอย่างหรือจะพูดว่าทางลึกหมดเป็นรากเง่าของทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถที่จะให้รู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนานการกระทำอย่างนี้มีค่ามากที่สุดมีเงินก็ซื้อไม่ได้มีความรู้แล้วจะไปโดนดาวนึกคิดเอาก็ไม่ได้ ต้องทำให้มันเป็นเองรู้เองเห็นเองเข้าใจเองเป็นอย่างนั้นดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้นีลรู้สึกว่าตัวเองเป็นพระได้เป็นอย่างนั้นในขณะนั้นเป็นโยมนุ่ง ก, กางเกงขาสั้นบ้างหายาวบ้างบางครั้งนะผมก็ยาวด้วยแต่เมื่อเห็นสภาพภาวะของจิตใจมันเปลี่ยนแปลงออกไปจากสภาพที่มืด ไปอยู่สภาพที่แจ้งหรือมันเปลี่ยนทิ้งของหนักออกจากมือเรามือเราไม่มีอะไรติดมันเบามันเป็นอย่างนั้นเรียกว่าเราอยู่ภากนี้แต่ก่อนบัดนี้เราข้ามจากภากนั้นมาอยู่ข้างนี้แล้วมันมันสมมติพูดนี้แหละควมเป็นพระมันอยู่ที่ตรงนี้เองดังนั้นควมเป็นพระอย่างนี้จึงไม่กําหนดกฎเกณฑ์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 เป็นธรรมวิภาคปริเสธสองภะโสดาบันบุคคลยังมีครอบครัวหัวเมียตามปับเพณนีโลกแต่ติดอบายยภูมิแล้วไม่ไปตกนรกแล้วแต่ก่อนเราพูดได้แต่ไม่เข้าใจเมื่อมาเข้าใจอย่างนี้มันเป็นธรรมดามแล้วมันเป็นของจริงเลียวเป็นปรามาติเทๆ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 รวมเกีงพระพุทธเจ้าหรือคนบบราณท่านสอนเอาไว้แล้วว่าย่าเห็นผิดเป็นถูกอย่าเห็นทุกเป็นสุขย่าเห็นนรกเป็นสวรรค์ย่าเห็นคงจักเป็นดอกบ้วนให้เห็นผิดเป็นผิดให้เห็นถูกเป็นถูกให้เห็นทุกเป็นทุกให้เห็นสุขเป็นสุขให้เห็นนรกเป็นนรกให้เห็นสวรรค์เป็นสวรรค์ ให้เห็นโคงจักเป็นโคงจกักให้เห็นดอกบัวเป็นดอกบัวท่านสอนอไว้คนโบราณหลายอย่างที่ท่านสอนเอาไว้แต่เราไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็ทําไปคนโบราณบางคนพูดเป็นแต่ไม่รู้อันนี้เป็นปัญหาที่สำคัญการพูดนั่นแหละพูดได้แต่ไม่ทาหรือทําไม่เป็น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 ดังนั้นขอให้พวกเราทุกคนจงตั้งใจปฏิบัติทำความรู้สึกตัวนั่นแหละเป็นการปฏิบัติแในลักษณะมันโกรธขึ้นมาเราเห็นเรารู้เราเข้าใจเราเอาชนะได้ในขณะนั้นเวลานั้นนาทีนั้นวินาทีนั้นนั่นแหละเป็นการปฏิบัติอย่างแท้จริงหรืออย่างสูงสุด นี่เป็นการทานอย่างสูงสุดดังนั้นการทานธรรมะจึงเป็นการสนะานทั้งตัวการทานวัตถุสิ่งของมันเป็นวัตถุมัหยิบยืนให้กันได้ง่ายๆแต่การทานโสดาโมหะโลภนี่เป็นการทานได้ยากถ้าหากไม่เข้าใจจริงๆเราจะทานไม่ได้เสียเลย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 จิตใจของตัวเราหรือชีวิตของตัวเหล่านี้มันเฉยๆอันเฉยๆนั่นท่านเรียกว่าอุปเปกหาหวางเฉยหรือว่าว้าหรือว่าสงบหรือจะว่ายังไงก็ว่าได้แต่เมื่อเราไม่เห็นเราไม่รู้เราไม่เข้าใจนั้นมีคนอื่นมาพูดให้เราเกิดไม่พอใจขึ้นมาเนี่ย เราก็เลยไม่เห็นเราก็เลยไม่รู้เราก็เลยไม่เข้าใจเราก็เลยไปยึดไปถืออันนั้นไม่ใช่เป็นการปฏิบัติธรรมมากมันเป็นการปฏิบัติคิดแต่มันเป็นการปฏิบัติธรรมมากทางคิดว่าจะนั้นก็ได้ต่อเมื่อเราเห็นเรารู้เราเข้าใจมีคนใดมาพูดให้เราแล้วเราไม่ยึดไม่ติดอันนั้นแหละเป็นการปฏิบัติธรรมมาก ตามแบบตามแนวคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆดังนั้นลักษณะสภาพหรือสีวิตของทุกคนเหมือนกันทั้งนั้นเมื่อไม่รู้ก็เป็นอย่างนั้นเมื่อรู้แล้วก็ไม่เป็นอย่างที่มันเคยเป็นมาดังนั้นพระพุทธเจ้าถ้ายิ่งสอนเอาไว้ว่าตัดทั้งหลายคือเราตะถาพุท สัตย์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตคือกันแข้งขาหน้าตามือเท้าคือกันเหมือนกันคนที่ยังไม่รู้ก็เหมือนกันเรียกว่าปู่กู้ศนเมื่อยังไม่รู้ยังไม่เห็นยังไม่เข้าใจก็พยายามเสา ะ, ะแสวงหาวิธีที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องทุกขันี้นี่เองต่อเมื่อพระองค์หรือพระพุทธเจ้าของเหลานี่แหละ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 แต่เราไม่ทำตา่างแต่เราไปบาถนาอ้อนวอนขอร้องเอามันก็เลยไม่ได้มันก็เลยไม่รู้ดังนั้นพระพุทธเจ้าถ้าจึงสอนเอาไว้ว่าศับท์ทั้งหลายเราพูดเป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายประพฤติฏิบาตามอย่างเราตถาคตนม่ บันทึกการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านะเราได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าพระพุทธเจ้าตัดสรุปเพราะการทําทางจิตตัวเอแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านไม่ได้เดินขอ ก, ก้าวไม่ได้ขึ้นเครื่องบินไปและไม่ได้ดังรถยนต์ไปคือท่านดูที่ไหนท่านดูใจของท่านดูสภาพมันนึกมันคิด พอดีมันคิดเราเห็นเรารู้เราเข้าใจมันก็ตัดเข้าตัดเข้าเป็นวิถีลบออกเป็นวิถีลบออกเหมือนเราขุดบ่อน้ำไปเจอน้ำก็ต้องเป็นหน้าที่ตักตม ต, ตักเปลนออกเท่านั้นเองเมื่อเราตักออกมาเข้ามาเข้าน้ำมันใสเองอันความคิดนก็เช่นเดียวกันมันจะไปถึงที่สุดของทุกได้จริงๆรับรองว่าเรื่องนี้เนี่ เรื่องที่จะทำให้คนหมดทุกข์ได้จริงๆเพราะทุกคนมันจะไหลไปสู่ความตายเราจะรู้จักวิธีคนไข้และเทคนิคของคนตายจริงๆดังนั้นที่สันอาหารกลางวันวันนี้ก็เลยมาแนะนำเป็นวิธีที่ให้ทุกคนเอาไปทำกับชีวิตประจำวันได้ ท้าที่สุดนี้อาตามาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมอยู่ณสถานที่นี้อาตามาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและท่าธรรมคาสั้งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและคุณของพระลันตาสาวกพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสักิใจของพวกเราให้พวกเราได้ทำความเข้าใจกับตัวนิสตัวคิด